ในที่ปชุมพระวันที่ยี่สิบสองราคมสองพันห้าร้อยห้าณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเราบวชมาในพระศาสนาจะออกมาจากตะทิมใดก็าตามพิ่นทราบว่า เข้ามาสู่ตระกูลเรียกว่าสากยัตระกูลคือตระกูลแห่งกษัตริย์พระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านสเสด็จออกจากสากยัตตระกูลทรงสลนนะราชสมบัติ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 ทุกๆ ก, กรณีทางเดินแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์เดินไปได้วยความลำบากผู้ไม่มีความภาคความเพียรจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากหมึ่ห่งมารไปได้ บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นจิตของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ดำเนินไปอย่างใดองเป็นผู้มีจิตใจมุ่งหวังอย่างมั่นคงเพื่อก้าวไปตามรอยเราะ์บาทแห่งเรรางค์คำว่าสุปฏิปันโนสุชุปฏิปันโน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 เป็นผู้มีศีลบริสิทธิ์มีสมาธิเพื่อความสงบแน่แน่เป็นลำดับไปเพื่อปัญญาหาความรู้ความฉลาดในตนของตนไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าสาวก ข, ของทรภูมีพระภาคเจ้าไม่ได้บัดนี้จิตการงานของเราทั้งหลาย ได้ละแล้วตั้งแต่วันอุพัสมหตดเข้ามาในเร้าศาสนาจิตบ้านการเดือนซึ่งเทราวาตเขาจัดทาดีประจำวันเราได้ละมาเสียทุกประการไม่มีมีความเกี่ยวข้องกังวลกับกิจการทั้งหลายเหล่านั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีด้วยกาย ปฏิบัติดีด้วยวาจาปฏิบัติดีด้วยใจผู้ชุบปฏิปันโนเป็นผู้กรงต่อทางตรัสรูทั้งทางกายทางวาจาและทางใจญายะเป็นผู้มุง่งประสงค์ข้อความตรัสรูซึ่งเยยยธรรมอยู่ตลอดเวลาสามีจิเป็นผู้งามอยู่เสมอในอาการแห่งความเคลื่อนไหว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 เพราะฉะนั้นพึงสำนึกตนเสมอว่าบัดนี้เราเป็นนักบวชมุ่งเฉพาะต่อองค์สมเด็จพระผูมีพะภาคจากไม่ได้มุ่งต่อโลกามิตริใดๆทั้งนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง ใจของเรามีความสงบอีกครั้งมีความเยือกเย็นสบายหรือเดือดร้อนภายในใจถ้าใจเดือดร้อนก็พึ่งทราบว่าคุมนรกอยู่ที่ใจของเราถ้าใจมีความเยือกเย็นพึ่งทราบว่าสันติธรรมเริ่มจะปรากฏขึ้นแล้วที่ใจของเรา ให้เกล็ดกรองตัวของตัวอยู่เสมอการประกอบความภาคความเทียนอย่ากำหนดเวล่วลาให้กำหนดสติสัมผัสกับธรรมที่เรากำหนดไว้เสมอไปอย่าให้ขาดวักขาดตอน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 และที่ถูกชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรามเพียนหมายเช่นนี้การเดินเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนนั่งนอนก็เช่นเดียวกันเป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งจะรับษากายของเรานีไว้ให้ถึงอายุไขหรือให้มีความสะดวกสบายภายใ น, ายในาธาตุขันของเรา แต่เรื่องของใจที่จะให้ชื่อว่าความเพียร น, นั้นต้องขึ้นอยู่กับสติและปัญญาเป็นของสมคัญสติคือความระลึกทีอรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาคือความสอดส่องมองดูเรื่องซึ่งมาสัมผัส จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือความกระเพื่อมของใจเราที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกติเสมอไม่เช่นนั้นจะที่จะ่าความเพียนไม่ได้ใครเล่าจะเป็นผู้ทรงพระศาสนาของพระพุทธทเจ้าไว้ นอกจากเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นแนวหน้าแห่งบรรดาชนทั้งหลายแล้วไม่มีใครจะสามารถในโลกนี้ถ้าลงสมณะไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ด้วยรอบปฏิบัติเพราะความท้อใจหรือเพราะความเสียข้าแล้วศาสนาก็ล่มจมไปเท่านั้นไม่มีใครจะสามารถทรงไว้ได้ เฉพาะเราซึ่งเป็นนักบวช ด, ด้วยและเป็นนักปฏิบัติที่โลกเขาให้ชื่อว่ากรรมาฐานด้วยแล้วยิ่งเป็นของจำเป็นพิเศษซึ่งเราจะพึงสำนึกตัวของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมคบุรุษราวจากประโยชน์ตลอดจิ hya บทและเสียปะตุปัจจัยทายาทานที่ชาวบ้านขอให้มาวันหนึ่งวันหนึ่ง ด้วยความตะเกียบตะกายหามาแต่ละครั้งละครั้งที่จะได้ให้ทานแต่ละหนรู้สึกว่าเป็นความลำบากลำบนไม่น้อยให้เราะระลึกตัวของเราเสมอว่าเวลานี้เราเป็นนักบวชและเป็นลูกศิษย์พร ะ, ะถาคตพระถาคตนั้นเป็นผู้มีความองอาจกราหารต่อเหตุการณ์ ทุกอย่างทั้งที่เป็นฝ่ายทั่วและฝ่ายบิกเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้อดทนต่อความลาบากกากรำทุกๆอย่างซึ่งจะมาพักผ่ินหน้าพระองค์เจ้าไม่เป็นผู้เขี้คร้านไม่เป็นผู้นอนตื่นสายไม่เป็นผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความพ้นทุกข์ อยู่ตลอดเวลานหลักที่จะเป็นพระพุทธทเจ้าท่านทรงไว้ซึ่งหลักธรรมะเหล่านี้และความจะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดจะตามร่องรอยแห่งพระองค์เจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้เหมือนกันในชัยจะทรงไว้ซึ่งความเจ็ดครานความเห็นแก่ปากแก่ท้องความมากง่ายความนอนตื่นสาย ความเห็นแต่ตัวโดยถ่ายเดียวนี้ไม่ใช่หลักธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้เราทั้งหลายครุงทราบไว้อย่างนี้การพิจารณาใครกำหนดเรื่องอะไรเคยพิจารณาเรื่องอะไรตั้งใจพิจารณาให้เห็นชัด ในส่วนแห่งธรรมที่ตนที่เจรน า, าหรือกําหนดเอาไว้นั้นย่าเป็นคนไม่มีหลักหรือเป็นคนลอยลมหาหลักฐานยึดเหนี่ยวไม่ได้สติตั้งลงที่ตรงไหนยอมเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนั้นถ้าไม่มีสติไม่เป็นธรรมทั้งวันทั้งคืนสติเป็นของสำคัญสาหรับความเพียง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 คุกเราก็ทราบแล้วว่าเป็นอริยสัตว์ถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นทุกข์แล้วเราจะหลีกเล้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนสมุทยัยเหตุเป็นแรงเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ความปรุงของใจความปรุงของใจนี้โดยมาก ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วต้องตรุงไปในทางที่ชั่วเสมอไปทางที่จะสั่งสมกิเลสให้มีหรือให้มากขึ้นภายในจิตใจเสมอเพราะฉะนั้นอุบาวิธีที่เรากาหนดจิตใจซึ่งเรียกว่าภาวนานี่จึงเป็นแนวทางที่จะแก่สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องกดทรวงจิตใจของตนเองให้ค่อยหมดไปเป็นลำานับ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 เป็นทอนทางที่ยืดยาวมากจนไม่มีใครสามารถที่จะนับอ่านได้ว่าทางจากต้นทางคือคําเกิดในเบื้องตน้นนี้ถึงปลายทางที่สุดคือวิมูธพันิพาณ น, นั้นระยะทางได้สักกี่กิโลหรือได้สักกี่ไมล์ไม่มีใครสามารถที่จะวัดได้เพราะเหตุใดเพราะธรรมชาติอันนี้ เป็นธรรมชาติของวัตตะคือหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะวัดให้เป็นไม้ให้เป็นกิโลไม่ได้แต่การพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามลักษณะของวัตตะที่มันหมุนอยู่รอบตัวนี้ถ้าใครพิจาะนาวัตตะซึ่งหมุนอยู่รอบตัวอันเกิดกับใจนีอยู่เสมอแล้ว ผู้นั้นแลจะเป็นผู้แก้ไขวัตะที่ตัวหมุนอันนี้ได้ออกจากใจจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานขึ้นที่ใจตัวนดวงนี้เองหลักสำคัญมีอยู่ที่มีขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจพินิจพิจรารณาอย่าเห็นแต่ความพอแท้อ่อนเอชสติเมื่อตั้งไว้กับอาการอันใด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 นั่งยืนนอนก็ไม่มีความจำเพาะเจาะจงกับสติและปัญญาความสงบของใจจริงเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะการปล่อยจิตใจของตัวเองให้ไปเป็นเป็นไปตามอารมณ์นั้นเราละบายหรือปล่อยไปอยู่ตลอดเวลาไม่เคยยับยั้งหรือห่วงห้าม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 เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเมื่อเป็นเช่นนั้นรายจ่ายกับรายรับมันไม่เพียงพอกันรายจ่ายมากกว่ารายรับเพิ่งทราบว่าคนนั้นจะต้องลมจมมีการซอยจิตใจของเราให้เป็นไปตามอมเภอของวตะกับการรักษาจิตใจของเราด้วยสติขปัญญา ให้เป็นไปเพื่อทางวีปัสสนั้นมีจำนว น, นน้อยมากกว่าการปล่อยจิตใจให้เป็นไป ต, ตามกระแสของมัตตเพราะฉะนั้นใจของเราจริงไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความเฉลา่ให้พากันทราบไว้เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดพรมหลายๆต่อไปอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องบุนกับเรื่องอะไรทั้งนั้น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 หลายเดือนต่อหลายเดือนก็กลายเป็นหลายปีขึ้นมาชีวิตจิตใจนับวันสั้นเข้าทุกวันผลประโยชน์ที่จะพึงได้าจากงานความดีก็มีเพียงนิดหนึ่งเท่านั้นไม่สมกับว่าเราเป็นลูกพระตถาคตปรากฏตัวในวงของพระสัจนา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 หรือเป็นธรรมที่ควรแจกสติปัญญาอยู่แล้วตั้งแต่การไหนไหนพระพุธทธเจ้าพิจารณาดูกายทุกขิ้นทั้งที่เป็นส่วนทุกข์ทั้งที่เป็นส่วนอนิจจงทั้งที่เป็นส่วนอนาาัตตาเหตุใดจึงมีความเฉลี่ยฉลาดสามารถรู้แจ้งด้วยปัญญา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 เหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ได้ในสิ่งที่มีและไม่มีนี้รับแต่อย่างใดด้วยทุกจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดก็ตามจะลี้รับไปจากจิตผู้รับรู้ไปไม่ได้จะเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็จะลี้รับจากจิตผู้รับรู้ในทุกนั้นไปไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเรามีสติ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 มีความครัวต่อเรื่องของทุกข์จึงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นทุกข์แล้วคว้าเอาสุขขึ้นมาเป็นสมบัติของใจได้ทุกข์จะเกิดมากเกิดน้อยจะตั้งอยู่หรือดับไปให้พึ่งทราบว่าทุกข์ก็คือทุกข์นั่นเอง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 สมบัติในพระศาสนาเริ่มต้นแต่สีและสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติพิมุติสมบัติและดิโมติยานทัสนาสมบัติสมบัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติแต่ละรายซึ่งเป็นผู้มีความสามารถหนักเบาวกว่ากันอยู่บ้าง ผนจะพึงได้รับจึงมีความเดือมล้ามต่ำสูงไปตามความหนักเบาแห่งเหตุที่ทำไว้แต่ละลายเราผู้บวชมาในพระศาสนาปรากฏเป็นลูกพระตถาคตเต็มภูมิในคำว่าสากระยรุตรบทและเป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าของแห่งโลกุตตราสมบัติเป็นท่านชันขึ้นไปในธรรมท่านกล่าวไว้ว่า โซดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกิฐาคามักสกิฐาคาผลและอรหัตตมักอรหัตตผลสมบัติทั้งหมดนี้รวมลงในวิบูติยานัทจนะสมบัติอันได้แก่นิพานสมบัติสมบัติในพระศาสนาซึ่งอยู่ในวงแห่งสว ข, ขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วและเป็นนิยานนิกรรมสามารถนำจัด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 เราจะเห็นได้จากพระพุทธเจ้าและสาวกพาดำเนินมาปรากฏว่าท่านเห็นภัยในการคุกคีและกิจการที่จะให้เกิดความข้องบนและเป็นฆ่าสิบต่อสมถะธรรมเพื่อความอยู่สบายในพิจตธรรมของพระองค์และสาวกท่านในขณะเดียวกันทรงเห็นคุณและทรงเสริมในความสงัดมากเพราะฉะนั้น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 คือศีลก็เริ่มบริสุทธิ์สมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในใจเป็นชั้นๆของสมาธิปัญญาก็เริ่มไหวตัวขึ้นมาในขณะที่สมาธิเริ่มปรากฏเป็นชั้นๆของปัญญาตามแต่ผู้บำเพ็ญจะเร่งตามความปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขีดขวางเพราะปราศจากสิ่งที่มาเกาะกวนให้จิตเอ็ไปสู่ความกังวลในอารมณ์ที่ มากระทบนั้นๆเมื่อสรูปความแล้วธรรมะชอบเกิดขึ้นในที่สงัดและในเวลาอันสงัดแม้ผู้ทรงธรรมมีพระพุทธทเจ้าเป็นต้นก็ชอบประทับอยู่ในที่สงัดตลอดเวลาหากจะมีอยู่บ้างขอสมัยที่พระ อ, องค์ทรงทาหน้าที่พระพุทธทเจ้าเสด็จเที่ยวโปรดเวในสัตเป็นบางการเท่านั้น ที่ทรงเห็นสมควรจะทรงอนุโมผ่อนผันเพื่อเวในยผู้ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เมื่อเสร็จพุทธกิจแล้วก็ทรงงดทันทีไม่ทรงท่ำเพื่อเหมือนอย่างสามัญชนทั่วๆไปบรรดาเราทั้งหลายที่โลกให้นามว่ากรรมาฐานหรือนักปฏิบัติจะควรสำนึกตาม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 ให้เข้ากำหลักธรรมของพระองค์ลงธรรมสังเวชในความเกิดแก่เจ็ดตายพยายามละกิเลสตัณหาอวิชชาที่เป็นตัวค่าสุดแกเราอยู่ตลอดเวลาอย่านอนใจในอิริยาบทของตนจงพยายามส่งเสริมอบรมส ต, ติและปัญญาอันเป็นเช่นกับดาบไว้ให้เพียงพอจะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาจวะ ซึ่งเป็นตัว่าตศึกและกดขี่บังภับจิตใจของเราอยู่ทุกขณะให้ขิ้นศูนย์ไปในวันหนึ่งจนได้ผู้ใดอยู่ในอิริยาบทด้วยความมีสติและปัญญาประจําตนตลอดเวลาผู้นั้นแลจะเป็นเจ้าของสมบัติอันเลิศคือมรรคผลนิพพานในชาตินี้ขอย้ำอีกครั้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียในวันนี้ว่าการบําเพ็ญธรรมทุกๆขั้น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 อารมที่มาสัมผัสใจแทนที่จะเป็นข้าศึกเลยกลายเป็นคุณไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญารู้เท่าทันการตั้งสติเริ่มเป็นของจำเป็นแต่วันเริ่มฝึกหัดภาวนาเราจะบริกรรมทมบทใดมีพุทโธเป็นต้นจงตั้งสติเข้าใกล้คิดต่อทมบทนั้น ในลักษณะเอาเป็นเอาตายจริงๆผลจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาประจักใจโดยไม่ทวงเวลาใม่เนิ่นนานผู้ปฏิบัติโดยมากที่ทำเวลาให้เสียไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ภายในใจเท่าที่ควรก็เพราะความนอนใจไม่รีบเร่งตักตวงความเพียรด้วยสติและปัญญาในเวลา อ, อายุพรรษาอย่างน้อย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 ประโยชน์ส่วนพระ อ, องค์ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงทรงทาหน้าที่ของพระพุทธ เ, ทเจ้าในเวลาต่อมาแม้สาวกเมื่อได้สดับทำจากพระ อ, องค์เจ้าแล้วก็มุ่งหน้าต่อความเพียแรแสงหาที่สงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะออกจากใจโดยไม่มุ่งในโลกามิษใดๆเป็นผู้เห็นภายในความ เกิดตายช้ำๆ ซ, ซ, ซากๆอยู่ทุกขณะลมหายใจเขาออกเพราะความเพียนกร้จึงเกิดจากซึ่งเกิด จ, จากใจที่เห็นภัยในทุกขมาจนเพียงพอแล้วประคองสติปัญญาให้เป็นไปในกายในจิตอยู่ตลอดเวลาในอีริยาบทไม่ลดละก็สามารถถอดถอนพิเดศอาสวะออกจากใจได้ด้วยสมุิเฉดประหารถึงผลีพานทั้งเป็น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 ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นสมณะสิ่งที่เหลือจะมีแต่ที่สระล้นล้นซึ่งไม่เป็นของแปลกใครทําขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่าพากันประมาทเห็นว่ากิเลสเป็นของดีและเป็นของมีประมาณนอนความทุกข์ปรมานทุกย่อมยากที่เป็นไปอยู่ในสัตว์แต่สังขานทั่วท่วไปจนทนไม่ไหวก็แตกและตายกองกันอยู่เต็ม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 โดยถืออาการของกายเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาในอาการของกายเราจะพิจารณาไปหมดหรือเฉพาะแล้วแต่จะริบชอบไตรตรองดูส่วนแห่งกายลงในไตรลักษณ์ใดมากน้อยแล้วแต่ความต้นัดแต่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาเป็นใช่ได้สติเป็นของสาคัญมากอย่าให้พลัง้งเผลอ ได้ทุกเวลายิ่งดีจะเป็นเครื่องหนุนทั้งสมาธิและปัญญาให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วนักปฏิบัติผู้ดใดพยายามรักษาสติไว้ได้ผู้นั้นจะเป็นไปได้เร็วในธรรมทุกขั้นแม้ความเคลื่อนไหวทุกทุ ก, ท ก, ทกอาการตรงทําสติให้เป็นพี่เลี้ยงอยู่เสมอจิตจะเหนืออำนาจไปไม่ได้เพราะบอแห่งอานาจมัทนา ที่จะทำใจให้พ้นจากทุกนายชาตนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นของสำคัญจงพยายามทำสติธรรมดานี้ให้กลายเป็นมหาสติขึ้นมาและจงพยายามทำปัญญาธรรมดาให้กลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเราเมื่อสติมีกำลังจนพอตัวแล้วเราจะเดินปัญญาพิจนนารณาแม้กิเลสจะหนาแน่น เหมือนภูเขาทั้งลูกก็ต้องทะลุไปได้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของกายทุกส่วนในกองรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาพึงทราบมาเป็นหินลับของสติและปัญญาให้ค่มก้าได้เป็นกำลังเมื่อสติกับปัญญามีความสัมพันอยู่กับอาการเหล่านี้ไม่ขาดว่าขาดตอนเราไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่มีสติและปัญญา อันคมกล้าขอจะให้ตั้งสติและคิดค้นทางปัญญาลงไปในสภาวะธรรมที่กล่าวมานี้ความสงบของใจแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและความแย่พายของปัญญาจากขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดจะปรากฏขึ้นกับใจดวงเดียวนี้อาศวะซึ่งหมกหมักหมมอยู่กับใจมาเป็นมิลานาน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 พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมื่อท่านได้พ้นไปแล้วจึงเปลง่งมุทานคล้ายกับเป็นการท้าทายวัตจักรว่าในช่างเงือนคือตัณหาไม่สามารถจะสร้างเงือนคือรูปกายให้เราได้อีกแล้วเพราะช่อฟ้าคืออวิชชาเราได้ทําลายแล้วบัดนี้จิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งยิสังขารคือพระนิพพาน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 ในคำเย้ยหยันท่าทายของกิเลสปัญหาบ้างหรือจะมัวนั่งฟังนอนฟังคำเย้ยหยันของเขาด้วยความเพลิดเพลินจนลืนตัวเป็นการสมควรแก่พวกเราซึ่งประกาศตัวว่าเป็นศิษย์ของกระถาคตเจ้าแล้วหรือจะควรแก้ไขปัญหากับกิเลสอาศวะอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ควรคำหนึ่งและตื่นตัวด้วยความเพียร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 ด้วยความฉลาดนั้นเท่านั้นแม่อุบายวิธีที่จะทำสีให้บริสุ์ก็ดีทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็ดีและอุบายทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อมรดผลมิพานก็ดีพระองค์เจ้าทรงตรัดไว้พอประมาณเท่านั้นส่วนวิธีการหรืออุบายที่จะหาความยยบคายต่างออกไปเป็นพิเศษนั้นเป็นความแยบคายของโยคาวจรแต่ละรายจะสนใจหาความฉลาดแก้ไขตนเอง แม้มักผลนิพพานอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับก็ควรจะทราบไม่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยลมคือปรากไปจากเหตุผลโดยไม่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นกุญแจคือเครื่องมือสนับแก้ไขท่านทั้งหลายที่กล่าวมานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงตระหนักใจในตนเองว่าพระพุทธ เ, ทเจ้าเป็นผู้มีธรรมคือหลักเหตุผลประจองค์ของศาสดา ไม่ทรงเอ็นเอียงไปตามสระแสแห่งความกดดันใดนๆที่มาเกระทบดำรงพระองค์อยู่ด้วยหลักธรรมตลอดมาแต่ต้นจนถึ ง, ถงวันตรัสรู้ตลอดวันนี้ผ่านฉะนั้นพึงทราบหัวใจแห่งนักบวชของเราคือการพลีทีพทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพื่อพระพุทธทเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์องค์พระเสริฐสุดของโลกด้วยความกระหาย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 ก็นับมาสมควรแก่เวลาข อ, อยุติลงด้เวลาเพียงทรงนี้